เป็นสีเขาเลยหลวงพ่อคะหลวงพ่อบอกว่าหนูเพ่งอะนะคะคื อ, อ, อตอนเพ่งเนี่ยไม่ทราบอะฮะแต่ว่าทราบตอนที่มันแข็งแข็งแล้วะะอะฮะถึงจะทราบนะคะคือคุณเพนสีต้องสังเกตตรงตัณหาที่อยากปฏิบัติอะมันเกิดจากตัณหาที่อยากปฏิบัติ น, ะ น, ตนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ทันจิตนะจิตแค่อยากปฏิบัติรู้ทันไม่เป็นหรอกเจ้าค่ะ เรเล่นเล่นต้นทางหลวงพ่อครับปฏิบัติครั้งที่แล้วอ่ะนะคะหนูมีสภาพทำํำประเภทหนึ่งปกติเนี่ยจิตเขาไปนอนน่ยนะคะหนูจะทราบแต่อันนี้คือจิตเนี่ยเขาเขาเขานอนแล้วก็ถูกทปปับอ่ะฮะทับเสร็จแล้วก็หนูก็ไป <c oughs> ดิ้นดินแต่ตอนดิ้นเนี่ยไม่ทราบอนะคะ อ, อดิ้นไม่ทราบ พ, พออีกทีหนึ่งก็มาเห็นเห็นว่าเขาบังคับเขาไม่ได้เขาขาดถึงเลยะคะ่ะนั่นแหละ คือดีแล้วที่เห็นขาดถึงเลยพอเรารู้ว่าบังคับไม่ได้เราเห็นไตรลักษนะ์ใช่ไหมตัวที่วิเศษที่สุดเลยปัญญาที่วิเศษที่สุดคือไตรลักษ์กระทั่งจะบรรลุมรรคผลนิพพานนะก็เพราะว่าเห็นไตรลักษนะ์นั่นแหละแล้วมันขาดถึงออกไปเลยอันเนี้ยเขาเป็นโมหะหรือเปล่าคะไอ้ตัวที่แขกโดนโดนโดนเหยียบไปคือตัวที่ถูกกดเนี่ยไม่เป็นไรอะ่ะไอ้ตัวที่ปิดกดเขานี้ยสิ หนูไม่เห็นตัวนี้นะเจ้าคะ่ะหนูไม่เห็นหนูโดเห็นว่า เ, เขาโดนทับแบบแข็งไปทำอะไรไม่ได้อะฮ ะ, ะให้รู้ไปอย่างนั้นแหละรู้ไปคือเราภาวนาแทบเป็นแทบตายเพื่อจะรู้ว่าเราทำไม่ได้ไม่ใช่เพื่อเราทำได้นะงั้นอย่างที่ฝึกแนวที่คุณเพ็ญศีฝึกเนี่ยเยอะเลยที่ภาวนาไปแล้วเห็นว่าทำได้เจ้าคะเช่นโกรธขึ้นมาก็โกรธเนาะหายละอะไรๆเกิดขึ้นกำหนดไปแล้วหายหมด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 การกระทบกระทั่งเกิดบ่อยๆแล้วเรามีสติรู้บ่อยๆคือทำการบ้านทั้งวันละวั้นไม่ช้าหรอกแต่ว่าถ้ากระทบกระทั่งแล้วเราเพลินไปเลยเนี่ยเช้ายันค่าอะไรอย่างเงี้ยช้าแน่นอนแล้วจะเกิดวิบากด้วยอย่างเราไปคลุกกระโลกมาช่วงหนึ่งนะใจเราจะมองๆ ม, มัวๆอีกช่วงหนึ่งต้องรับผลกรรมไปแก้ไม่ได้นะต้องรับยอมรับสภาพไปด้วยใจที่เป็นกลาง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 อย่างช่วงก่อนหน้าที่จะมาลงช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาจะหลงๆไปตลอดนะคะก่อนหน้านั้นก็จะรู้สึกว่าจะไปติดเพ่งๆนะค ะ, ะรู้สึกว่าหาตรงกลางไม่ค่อยได้ะคะ่ะตรงกลางไม่มีอไม่ต้องหานะมันเผลอไปรู้สึกมันเพ่งไว้รู้สึกรู้ไปเรื่อยๆแล้วอย่างสมมติว่าบางครั้งสมมติทํำนู่นทํานี่อยู่แล้วก็มารู้สึกขึ้นมานะคะก็จะติดที่จะชอบไปจ้องมนะะันเหมือนพอรู้สึกตัวขึ้นมาก็เพ่งต่อเลยอะะดีแล้ะเป็นอย่างนั้นแทบทุกคนแหล ะ, ะมันเคยชิน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 วันนี้ก็เป็นผลจากอกุศลจิตที่มันเกิดทีๆกันวันสองวันอืมแล้วตอนนี้มันก็รับผลของมันก็คือซึมเศร้ายำรับมันอย่างน่าชื่นตาบานไม่ปฏิเสธแล้วมันไม่ทุกข์หรอกจะเห็นว่าขันเป็นทุกข์นะอกุศลวิบากเนี่ยทําร้ายขันได้แต่ทําร้ายจิตซึ่งมีสติปัญญาอยู่เนี่ยไม่ได้คดีแล้วครับ คือคนบางคนนั้มันน่ากลัวจริงทําอะไรน้ำซ่อนผลประโยชน์ไว้เต็มเลยเมื mm ่อ hmm. ไม่กี่วันนี้ยทย์ก่อนเนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งมาเล่าให้ฟังนางสารคนนี้ถูกต้มไปทั้งยี่สิบกว่าล้าน mm hmm. เพื่อนนะมีบริษัทอยู่ mm hmm. เพื่อนบอกเพื่อนอยากภาวนาช่วยซื้อบริษัทให้หน่อยสิเห็นใจเพื่อนจะซื้อ mm hmm. ซื้อไปแล้วพอบ่าเฮ้ยบริษัทนี้กลวงไม่มีอะไรเลย กลวงวันดีคืนดีเจ้านี้มาทวงเงินเจล้านกว่าเจล้านบอกว่าบริษัทเนี่ยไปสั่งซื้อของไว้แล้วพอเข้ามาเก็บเงินนะก็ผลัดเข้าไว้บอกเดือนนี้เดือนนี้ค่อยมาเก็บใหม่มันเปลี่นเจ้าของไปแล้วนี่รับไปเจล้านแนละ้วเสร็จแล้วลูกน้องก็มาขอเข้ามาลูกน้องในบริษัทนี้ พวกนี้ก็คือคนของบริษัทเดิมนั่นแหละพอ เ, เปลี่ยนเจ้าของแล้วเขาก็รับทํางานต่อลูกน้องมาขอเข้ามาบอกว่านายเก่าเนี่ยตอนโน้นตอนจะขายบริษัทนายเก่าสั่งให้เมคตัวเลขขึ้นมาฐานะบริษัทให้สร้างขึ้นมาเลยมาขอเข้ามาว่าหลอกนายใหม่หอยู่ห <c oughs> บริษัทไม่มีอะไรแล้วก็พบต่อไปอีกวัตถุดิบที่สั่งซื้อมานี่ของแพงแนละ้วบริษัทนี้ขายของแพง มีบัญชีสั่งซื้อแต่ของไม่มีโดนไห ล, หลเรื่องเลยอันที่สามละอันแรกมีหนี้ซ่อนไว้อันที่สองบริษัทนี่ฐานะไม่มีอะไรแล้วเจงแล้วอันที่สามก็คือเอาวัตถุ ด, ดิบพขไปอันที่สี่ลูกน้องรายงานอีกวันที่ขายบริษัทแล้วเนี่ยน้องสาวของเจ้าของบริษัทเก่าเนี่ยไปเก็บเงินที่เคาน์เตอร์ เอาไปอีกห้าแสนคือมันทุกกระเบียดนิ้วเลยไม่ไหวอ่ะภาวนาะต่อกราบนารัชการค่ะไม่ค่อยได้มากราบหลวงพี่ในช่วงที่ผ่านมามีความรู้สึกว่าไม่ได้เพ่งแล้วก็มีสติเข้าทำงานของเขาคือผือไม่นานนะคะแล้วก็ในขณะที่รู้เหมือนกับรู้โดยไม่ได้หมายว่าเป็นอะไร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 สภาวะทั้งหลายก็จ ะ, สะแสดงไตรลักษ์ให้ดูเราก็ดูไปด้วยจิตที่เป็นกลางอย่างเงี้ยดูมากเข้ามากเข้าในที่สุดใจก็หมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งเพาใจมันเป็นกลางนั้นตรงที่ใจเป็นกลางเพราะมีปัญญาเนี่ยสำคัญมากเลยใจเป็นกลางเพราะมีปัญญาเห็นว่าทุกอย่างมันต่ตกอยู่ใต้ไตรลักษ์ทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีทั้งชั่วใจเป็นกลางใจไม่ปรุงแต่งไม่สร้างพบสร้างชาติต่อไป พบชาติเก่าที่ดำรงอยู่กระดับลงไปวับลงไปขณะเดียวทันพบใหม่ไม่ได้สร้างขึ้นมามากผลมันเกิดขึ้นมาไปเห็นธรรมะซึ่งไม่ปรุงแต่งนิพพานเป็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งในขณะที่ขันเป็นธรรมะที่ปรุงแต่งสมมุติบัญญัตินี่ก็ของปรุงแต่งเรื่องคิดเรื่องนึกเรื่องปรุงเรื่องแต่งจิตใจที่หลงอยู่กับสมมติบัญญตัติจิตใจที่หลงวุ่นวายอยู่กับขัน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 เห็นครั้งที่1นะอยู่ได้ไม่ได้หรอกอยู่ไม่ได้จริงเห็นครั้งที่1อยู่ได้แวบเดียวก็กลับมาอยู่กับความปรุงแต่งต่อมาอยู่กับบัญญัติกับมาอยู่กับขันต่อครั้งที่สองครั้งที่สก็ต้องกลับมาอยู่ที่เดิมอีกจนเห็นสุดท้ายเลยปล่อยวางความยึดถือจิตได้เห็นว่าจิตนี้เป็นตัวทุกข์ล้วนๆนะพอปล่อยวางความยึดถือได้ไม่ยึดถืออะไรขึ้นมาอีกแล้วและจิตเนี่ยคือสิ่งสุดท้ายที่เราจะยึดถือเอาไว้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 พอ เ, เห็นว่าจิตไม่ใช่เราได้พระโสดา บ, บันไม่มีสิ่งใดในโลกนี้เป็นเราอีกละ่ะภาวนาต่อไปจนหมดความยึดถือกายมันหมดไปตามลําดับของมันเองนะไม่ต้องไปกังวลนะหน้าที่เราก็ดูจิตดูใจของเราไปอย่างปกตินี่แหละถึงเวลามันก็วางความยึดถือกายมันปิ้งขึ้นมามันเห็นว่ากายเป็นก้อนทุกข์ล้วนๆเลยไม่ยึดถือกายจิตจะไม่ยึดถือในตาหูจมูกลิ้นกายจิตจะไม่ยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสและปดทับขาแล้วก็ความคิด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 ร่างกายตาหูจมูกลิ้นกายเป็นทุกข์จริงๆเนี่ยความยินดียินร้ายในรูปเสียงกลิ่นรสโปรดถภาและกรรมธรรำจะดับอัตโนมัติจิตจะไม่มีการมและปฏิฆะโดยอัตโนมัติไม่ต้องรักษาเลยไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษาทําไมไม่มีการมไม่มีปฏิฆะการมกับปฏิฆนะนั้นอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสโปรดถภาและกรรมมาทมเกิดขึ้นอย่างตาเรามองเห็นรูปที่สวยใช่ไหมก็ยินดีเห็นรูปไม่สวยก็ยินร้ายขึ้นมา อาศัยตรงนี้ยินดียินไายขึ้นมานี่พาอเราไม่ยึดในตาเราก็ไม่ยึดรูปขนาดตายังไม่ยึดเลยแล้วจะไปยึดรูปทําไมที่เรายึดตาก็เพราะว่าตาเนี่ยทำให้เราเห็นรูปที่สวยๆงามๆถ้าตาเราต้องเห็นแต่ของน่าเกลียด น, น่ากลัวเราก็หลับตาใช่ไหมไม่อยากเห็นหรอกไม่อยากมีตาเรารักหูก็เพราะว่าหูเนี่ยให้เราได้สัมผัสกับเสียงที่ถูกอกถูกใจ ถ้าได้ยินแต่เสียงที่ไม่ดีนะเสียงหนวกหูควรประสาทตลอดวันตลอดคืนไม่อยากมีหูหรอกเนี่ยที่เรารักในรูปเสียงกลินล่นรสปวดทับพระทั้งหลายแล้วก็ยินดีบ้างยินร้ายบ้างมีกรารบ้างปฏิฆาบ้างเพราะเรารักในตาหูจมูกลิ้นกาย น, นั่นเองเพราปัญญามันแทงตลอดนะตาหูจมูกลิ้นกายเป็นของทุกข์ล้วนๆเลยนะไม่เอาแล้วไม่เอาตามันก็ไม่เอารูปอัตโนมัติไม่เอารูปกามและปฏิฆาในรูปก็ไม่มี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 เช่นคิดเอาเองว่าการปฏิบัติต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ต้องนั่งท่านี้ต้องเดินท่านี้ต้องหายใจแบบนี้เนี่เวลาหายใจต้องมีจุดกระทบเท่านี้แห่งหกแห่งเจ็ดแห่งเดินต้องมีเท่านี้จังหวะจะหยิบของก็ต้องมีกระบวนท่ามือจะขยับจิตจะทำยังไงอะไรเงี้ยกาหนดจดจ้องไปหมดเลยสิ่งเหล่านี้พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยอาจารย์ชั้นหลังต่งหากสอนขึ้นมา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 ไม่ได้มีอะไรเลยรู้สึกกายรู้สึกใจรู้สึกไปสิอย่าใจลอยให้รู้สึกเอาหนะ้ไม่ใช่ให้เพ่งเอาไม่ใช่เพ่งกายเพ่งใจให้รู้สึกเงาไม่ใช่ให้เผลอไปลืมกายลืมใจตอนนี้แหละคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจเรื่อยๆกายกับใจก็จะแสดงไตรลักษณ์ขึ้นมาเมื่อไหร่จิตเราเห็นสติปัญญาเราเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักณขึ้นมาเมื่อนั้นเรียกว่าวิปัสสนา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 ในขณะที่รู้ทุกข์แกมแจ้งละสมูทยัยนิโรธปรากฏในขณะนั้นแหละคืออริยมรรคเห็นไหมทุกขสมูทยัยนิโรธมรรคนะท่านเรียงกันได้สวยมากเลยนะรู้ทุกขไปสี่รู้ทุกขไปจนมันละสมูทยัยแจ้งนิโรธนะอริยมรรคก็เกิดขึ้นในขณะนั้นเลยท่านสอนอริยสัจไว้สวยสดงดงามมากเลยไม่มีธรรมะใดเสมอเหมือนอริยสัจเลย ถ้าแจ้งอริยสัจก็ข้ามภพข้ามชาติไม่แจ้งอริยสัจ ย, ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดแน่นอนเลยไม่ได้เดาเดานะ <c oughs> ครูบาอาจารย์สอนมาอย่างนั้นนะเวลาเราภาวนาเราจะรู้สึกเลยเรายังไม่รู้อะไรอย่างหนึง่งแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรนี <c oughs> มันรู้นะลึกๆ ล, ลงไปมันรู้สึกว่ายัางไม่พอแต่มันไม่รู้ว่าไม่รู้อะไรถ้าเรารู้ว่ารู้ไม่รู้อะไรนะั้เราคงรีบไปหาหนังสือเรื่องนั้นมาอ่านก่อน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 เรียกว่าสัพปาที่เสสนิพพานเป็นนิพานกิเลสนิพานของกิเลสแต่ขันยังอยู่เมื่อขันยังอยู่นะขันเนี่ยมันกระทบกระทั่งมันเสียดแทงมันทุกข์โดยธรรมชาติของขันไม่ใช่ว่าขันของพระละหันไม่ทุกข์นะขันของพระละหันก็ทุกข์เหมือนขันของหมาของแมวของคนธรรมดานั่นเองแต่ว่าใจนั่นแหะมันไม่กระเทือนไปกับความทุกข์ของขันเรียกว่ามีสัพปาที่เสสนิพานอยู่ตรงนี้ก็ยังมีภาระนะ ต้องดูแลขันถึงเวลาก็าไปบินทบาตหาข้าวมาฉันอะไรเงี้ยบรรเทาทุกขเวทนาในกายเจ็บป่วยก็ต้องไปให้หมอดูให้อะไรเงี้ยมีภาระอยู่ถึงเวลาต้องไปสงน้ำไปอาบน้ำา ไ, ไม่งั้นสังคมรังเกียจใช่มนะมีภาระภาระมีงานต้องทำทางกายนะแต่ว่าชีวิตที่เหลืออยู่นะมันคล้ายๆรอรับรางวัลใหญ่แจ็คพอต รออยู่ข้างหน้ายังไงก็ได้วันหนึ่งก็จะต้องได้ก็คืออนุปาทิเสสนิพธานพวกเราได้ยินเรากลัวด้วยซ้ำไปไม่อยากได้หรอกความสิ้นขันอะสิ้นกิเลสไปแล้วก็เหลือแต่สิ้นขันเพราะอะไรเพราะเราเรารักขันส่วนพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยไม่ได้รักขันนะรู้สึกว่าขันนี้เป็นภาระพระมาหากัสสปะนะท่านเคยพูดเปรียบเทียบไว้หน้าฟัง ท่าพระราหันเนี่ยจิตใจของพระราหันเนี่ยนะคล้ายๆคนหนุ่มคนสาวคือยังกระปรี้กระเปล่าสดชื่นไม่ใช่ห่อเหี่ยวนะจใจพระราหารันกรปรี้กระเปล่าเทียบได้กับร่างกายของคนหนุ่มคนสาวแล้วก็ไปอาบน้ํามาเรียบร้อยเลยนะใส่น้ําหอมใส่อะไรใส่เสื้อผ้าสวยงามใส่เครื่องประดับสวยงามนี่แต่เวลาจะไปไหนมาไหนนะไปหยิบหมาเน่ามาตัวหนึ่งต้องสะสมหมาเน่าไว้นะ แล้วเอาหมาเน่าเนี่ยห้อยคอไปด้วยเอาพาดคอไปพาดไหลไปไปไหนก็ขิ้วหมาเน่าไปด้วยความรู้สึกของพระอรหันต์ต่อขันก็คือรู้สึกเหมือนหมาเน่าตัวหนึ่งเลยถ้าหมาเน่าตัวนี้จะได้ถูกปลดออกไปถูกวางออกไปไม่ใช่เรื่องน่าเสียดายใช่ไหมเราไม่ได้รู้สึกว่าเป็นหมาเน่านะเรารู้สึกเป็นของดีของวิเศษเพราะงั้นถ้าจะเสียไปเราจะเสียดายแต่พระอรหันต์ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นรู้สึกว่าขันเนี่ยเหมือนหมาเน่าจริงๆนะไม่ได้ดีตรงไหนเลย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 เคยมีพระองค์หนึ่งท่านเป็นพระอราหันต์หรือเปล่าหลวงพ่อไม่ทราบนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้พยากรคือหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลเนื้อวันท่านจะมรณภาพต้อใช้คำนี้นะเกือบไปใช้คำว่า น, นิาพพานเะนีวันที่ท่านจะมรณภาพเนี่ยท่านทวนนะเข้าฌานเข้าออกเข้าออกนะเข้าไปถึงนิโรธทรงอยู่พอสมควรถอยออกมาเข้าออกเข้าออกอย่างนีน้ท่านเคยสอนไว้ตั้งแต่ก่อนท่านจะมรณภาพนะ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 วิถีจิตสุดท้ายเนี่ยของคนทั่วๆไปมันจะมีจุติจิตเกิดขึ้นของพระรหันไม่มีหรอกดับไปมันไม่มีอะไรสืบต่อไปอีกฝึกนะ้าฝึกไปศา ส, สนาพุทธไม่ใช่นิยายหลอกเด็กนะแต่ใครฝึกคนนั้นก็มีความสุขเห็นเห็นได้ชัดๆ ด, ด้วยตัวเองเมื่อวานก็มีผู้หญิงคนหนึ่งมามาจากประเทศไหนจำไม่ได้ละเด้อเออมาจากอเมริกานะ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 ให้ฝึกนะมีแต่ความสุขรออยู่ข้างหน้าเยอะแยะเลยหน้าดูอา้าว่าไปรู้สึกว่าการเรียนมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะอะไรนะการเรียนรู้เหมือนเปลี่ยนไปเรื่อยใช่ใ่ <ๆ S 1> เปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะั่นก็กลับมาเรื่องเดิมตอนนี้เหมือนคนหัดใหม่อะไรนะตอนนี้เหมือนคนหัดใหม่นั่นแหละหัดใหม่ไว้ทุกวันอย่าเป็นคนเก่งนะ ทุกวันหัดใหม่คือทุกวันรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันไปเรื่อยๆถ้าวันใดเราสำคัญมั่นหมายว่าตอนนี้ฉันได้ชั้นนี้แล้วสมมุติว่าตอนนี้ฉันเป็นพระโสดาบันแล้วต่อไป น, นี้ฉันจะดูแต่กรรมกรรมและปฏิฆะเพื่อฉันจะได้เป็นพระอนาคาคาร่างเงี้ยถ้าไปตั้งเป้าอย่างนั้นน่าตายขาดที่เลยให้เป็นคนหัดใหม่ทุกๆวันลืมของเก่าไปไม่ต้องไปคิดแล้วว่าการปฏิบัติเมื่อวานนี้เป็นไง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 เราจะไปหลงกับปรากฏการณ์ในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแล้วเราลืมหลักเช่นวันหนึ่งใจเราไวฟิๆๆๆๆมาอันนี้ไม่เคยเห็นไว้เหมือนไฟสปาร์กฟิฟิๆๆฟเฮ้ยอะไรไวะลืมหลักแล้วตามหลักก็คือรู้ทุกสิ่งที่ปรากฏได้จิตที่เป็นกลางลืมไนมะมันลืมได้นะแล้วมันลืมได้ทุกคนแล้วลืมได้ทุกขั้นมันมีเท่าน้เองแต่ว่ามันหลอกเราซ้ำากนะ จริงๆ ง, ง่ายสุดๆเลยอ่าพี่ไวเชิญแขนหายยังก็ใช้ได้ยี่สิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เหรออีกนาน<ม>ที่เล่าก็คือปรากฏการณ์เหมือนกัน<ม>แต่ไม่ใช่คำถามคือว่ า, ามีคือหนึ่งนอนคิดว่าหลับสนิทแล้วก็จิตมันตามรู้มีสติตามรู้เห็นจิตทำงานเกิดดับเกิดดับโดยไม่ไม่รู้ว่าคืออะไร<ม>แต่นานมาก แล้วก็อยู่วิ่งวิ่งไปวิ่งวิ่งนี่คือเกิดดับเกิดดับอยู่ในโครูหาตอนนี้เข้าใจแล้วว่าคูหาคือหน้าตาเป็นยังไงพอเสร็จ แ, แ, แล้วก็จิตก็เห็นเหมือนกันว่าสติก็เห็นว่าจิตเนี่ยรู้สึกแปลกเออนี่แปลกแล้วมันก็ไปทํางานมันแล้วที่แปลกกว่านั้นแปลกสําหรับตัวเองนะคะก็คือว่ามันไม่มีรูปร่างไม่มีสันฐานไม่มีหน้าตาอะไรเลย ไม่มีอะไรเลยอแต่มันเกิดดับเกิดดับเอแล้วก็จบลงด้วยเกิดสัญญาขึ้นมาครั้งเดียวสัญญาปรากฏขึ้นมาว่าปรามัดก็คือพอตื่นขึ้นมาตลาหลังก็คืออารมณ์เข้าใจว่าคืออารมณ์ปรามัด <Yeah. S 1> สภาวะปรามัด <Yeah. S 1> ที่เราไปรู้เข้า <Yeah. S 1> ออแล้วยาวพอควร <Yeah. S 1> แต่คิดว่ายาวนี่คงไม่ยาวมากเพราะจิตมันทํางานเร็วเราเราก็เลยรู้สึกว่ายาวก็คือ แลกที่เกิดตอนหลับสนิทไม่เพราะว่าจิตที่ฝึกไว้ดีแล้วเนี่ยนะเวลาเราร่างกายหลับเนี่ยหลับไปช่วงหนึ่งเนี่ยจิตมันได้พักพอแล้วจิตจะเริ่มตื่นแล้วจิตตื่นขึ้นมาจิตทำงานได้เองละมันขึ้นวิธีทำงานได้ปกติเลยธ ร, ร้วสติก็เกิดได้ธรรมดาทำงานเนี่ยมันจะมีฝันเป็นสัญญงสัญญาเป็นคิดเป็นเรื่องอันนี้ไม่มี ไ, ไม่มีเนื้อหาเลยคือเห็นการเกิดดับ ดีละนะเฝ้ารู้อยู่ในสุดเราจะเห็นนงินไม่มีตัวเราเลยที่จริงนึกออกไหมลองทวนเข้าไปในนั้นไม่มีเราตรงไหนเลยไม่มีมีแต่ธรรมชาติอันนึงก็ทํางานไปธรรมชาติอันหนึ่งก็รู้ไปธรรมชาติทั้งหลายทั้งปวงเกิดดับเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆไม่มีหน้าตาอะไรเลยไม่มีไม่มีก้อนไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีรูปร่างไม่มีเลยหายอยู่ไม่ไม่ใช่หายแม้ก็มองดูไม่มีเพราะว่าจิตเป็นอรูป จิตมันเป็นอรูปเนี่ยมันเป็นนามเพราะงั้นไม่มีรูปร่างแสงสีตัวตนใดๆทั้งสิ้นนี่เราไปเห็นจิตเป็นดวงดว ง, ดวงอะไรนี่ภาษามนุษย์หรอกจริงๆไม่มีเป็น<ต>ดวงแต่มันมีครูหาอยู่มีขอมีมันเกิดอยู่ในครูหามันเกิดอยู่ในคูหาทำไมมันยังเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันไม่ใช่จิตของพระอรหันต์ไงเพราะงั้นจิตยังมีขอบมีเขตมีเปลือก แต่ว่าเป็นเปลือกในความรู้สึกไม่มีรูปร่างดีแล้วภาวนาดีพี่ใบาภาวนาไปสมมุติว่าชาตินี้ไม่ได้นะชาตินั่งง่ายแล้ง่ายมากเลยแบบฟังทำสกิจนิดนึงก็ไปละอะไรนะ <c oughs> <c oughs> เวลามันไปนกระทบอารมณ์ที่ที่น่ากลัวอารมณ์ที่ประกอบด้วยโทสะ สติจะเกิดขึ้นเองในชาติใหม่อันนี้ตามสถิตินะตามสถิติมันต้องไปกระทบอารมณ์ที่รุนแรงแนละ้วมันจะขึ้นมาของเก่าที่เคยฝึกแม่ฉีนี่เล่าให้หลวงพ่อฟังเมื่อไม่นานองิงอยู่กันมาทั้งนานไม่ไม่เคยเล่าเพิ่งเล่าบอกตานเป็นเด็กเล็กๆ เ, เ, เรียนอยู่โรงเรียนหนึ่งอีกคนเสียงเบาเนี่ไม่ค่อยมีเสียงหรอกเวลาครูถามอะไรก็ตอบครูไม่ได้ยินนะครูโมโห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 สอนขึ้นมาว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะงั้นเราภาวนานะมันไม่หายไปไหนหรอกมีพระองค์หนึ่งนั่งเล่นอยู่หน้าหน้าบ้านริมถนนเห็นไฟไหม้ข้างข้างบ้านนะตกใจลุกขึ้นวิ่งสามเก้านันเห็นความตกใจเลยความตกใจขาดสะบั้นรู้สึกตัวขึ้นมามีพระอีกองค์หนึ่งท่านเล่าว่าท่านไปเป็นวัยรุ่นตอนนั้นยังไม่ได้บวชไปงานลอยกระทงเขาจุดพลุโป้งขึ้นมาไม่ทันระวัง ตกใจเห็นจิตที่ไหววับแล้วก็ดับเลยรู้สึกขึ้นมาพอมาภาวนาจนจิตตื่นขึ้นมาแล้วก็เอ๊ะอันนี้เคยเป็นมาแล้วความรู้สึกตัวชนิดเนี้ยเคยรู้สึกมาแล้วแต่ลืมไปซะนานนี่เคยเคยรู้สึกเหมือนกันแล้วก็หลับไปอะไรนะเคยตื่นเมื่อตอนนาแล้ว่ะก็ตื่นแล้วมันไปกระทบอะไรแล้วหลับไปเอ๊กระทบอะไรแล้วตื่นกลัว่ะกลัวนั่นแหละเ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 หรือว่าไม่ได้หรือลืมไปหรือว่าหลับอย่างนี้ก็คือหลับได้อีกอ่ะหลับได้อี ก, อกนะับไนะเพราะว่าภูมิของเราเนี่ยมันเดินด้วยตัวเองยากมากสาวกภูมิอาศัยครูบาอาจารย์อาศัยฟังคําสอนอะไรเนี่ยใจค่อยภาวนาขึ้นมาพอาภาวนาแล้วถึงจะรู้ว่าเอยนี่ของเก่าเนี่ยเลยทำง่ายถ้ามีของเก่าแล้วทำง่ายนะแต่ถ้าคนไหนไม่มีของเก่าก็ต้องทำของใหม่นะแล้วไปเป็นของเก่าเอาชาติหน้า ไม่ใช่เก่าเพื่อไม่มีก็ไม่ต้องทําของใหม่มันก็ไม่มีไปเรื่อยๆ ย, ยอมลําบากซะตั้งแต่วันนี้ศึกษาตั้งใจเล่าเรียนไปลําบากก็ลําบากชาตินี้แหละต่อไปก็ง่ายหลายคนไม่ใช่ว่าต้องไปง่ายชาติหน้านะหลายคนง่ายชาตินี้ละเด็กคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อแล้วตื่นขึ้นมารู้กายรู้ใจได้เนยมีไม่รู้กี่ร้อยคนนับไม่ถูกละเยอะแยะไปหมดเลยแล้วคนที่ยังไม่ได้โผล่มาให้เราเห็นเนะี่มีอีกเยอะเลย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 หลวงพ่อครับระยะหลังเนี่ยลองไปฝึกดูนี่รู้สึกว่าจิตใจปลอดโปร่งขึ้นครับอันนี้อันนี้โาวนาดีขึ้นใช่ไดีขึ้นสินะฉิตที่เครียดเครียดแข็งแข็งมันอกุศลแล้วล่าสุดหลวงพ่อทักว่าประคองจิตไว้ครัยังประคองอยู่ไหมครับน้อยไม่ค่อยประคองคำว่าประคองหมายความว่าไงหมายถึงจงใจที่จะรักษามันไว้จงใจที่จะปฏิบัต ความจงใจแม้แต่นิดเดียวนะก็สร้างพบได้ละความจงใจเขาเรียกว่ามโนสัญญะเจตนามโนสัญญะเจตนาเจตนาคือความจงใจสัญญามีสัญญาคือจงใจอย่างรู้ตัวที่จะจงใจด้นะแล้วก็จงใจทำงานทางใจก็เลยเรียกมโนสัญญะเจตนามโนสัญญะเจตนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เรียกว่าอาหารนะอาหารมันทำให้เราเกิดชีวิตจิตใจขึ้นมา มโนสัญญาเจตนาคือความจงใจที่จะปฏิบัติเองทําให้เกิดการสร้างภพเพราะฉะนั้นมโนสัญญาเจตนาอาหารคืออาหารคือมโนสัญญาเจตนานี่แหละทําให้เกิดการสร้างภพคุณรู้สึกไหมพอจงใจเราก็สร้างภพภายในขึ้นมาทันทีที่สร้างภพภายในมันก็มีตัวเราขึ้นมามีความทุกข์ขึ้นมาใจถูกเสียดแทงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นตัวนี้ตัวร้ายนะถ้ารู้ไม่ทันจิตจะสร้างภพไม่เลิก ผัสสาหารผัสสะคืออาหารอะไรอย่างี้ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ถ้าเรารู้ทันตัวมโนสัญญเจตนาแล้วฉะนั้นตัวนี้ตัวสำคัญในวิธีแห่งความรู้แจ้งหลวงพ่อถึงเขียนถึงตัวนี้ไม่ได้เขียนถึงอาหารตัวอื่นเพราะมันง่าย เ, าเบอร์79บก้ราบนักการหลวงพ่อครับมีความสงสัยอยอะตลอดเวลาคือมองไม่เห็นความแตกตา่างความว่ารู้กับคิดว่ารู้กับ รู้กับคิดใช่ไหมคุณต้องหัดสังเกตเอานะอย่างคุณสังเกตไหมเวลานั่งฟังหลวงพ่อเนี่ยคุณไม่ได้ฟังอย่างเดียวฟังสลับแก่คิดรู้สึกไหมนี่คุณหัดตรงนี้ก่อนนะครับอย่างเวลานั่งฟังหรือนั่งคุยกับใครสักคนเนี่ยคุณสังเกตให้ดีครันี่ตอนเนี้ใจคุณหนีไปคิดแล้วรู้สึกไหมใช่ครับนี่หัดอย่างนี้นะต่อไปเรารู้จักว่าคิดเป็นยังไงทันทีที่เรารู้ว่าจิตลงไปคิดนะขณะนั้นรู้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ แม้เราเริ่มจากสิ่งผิดเราไม่เริ่มจากสิ่งถูกทํายังไงจะรู้ถูกเนี่ยทำไม่ได้หรอกใจแอบไปคิดและทราบไหมตอนนี้ก็ต้องหลวงพอกกอ่อทักเออหลวงพ่อทักให้เป็นตัวอย่างนะอีกนายคุณจะเห็นด้วยตัวเองเพราะคุณเคยเห็นตามที่หลวงพ่อบอกให้แล้วทันทีที่เรารู้ว่าจิตหลงไปในโลกของความคิดในขณนะนั้นจิตจะตื่นโดยอัตโนมัติเพราะจิตที่หลงไปคิดเนี่ยเป็นอกุศลชนิดอุทัศ จ, จะเป็นโมหะชนิดหนึ่งเนี่ยไปอีกแวบแล้วรู้สึกไหม ทันทีที่เรามีสติรู้ทันโมหานั้นจะดับทันทีเลยจิตก็จะตื่นขึ้นในฉับพลันแต่จะตื่นขึ้นครั้งละขณะแวบๆนะถ้าเรียนอภิธรรมเขาบอกเจ็ดขณะแต่ถ้าผู้ปฏิบัตริรู้สึกว่าตื่นได้แวบเดียวสั้นนิดเดีย ว, วตอนนี้ห<ว>นี<ล>ไป<า>คิดอีกแล้วรู้สึกไหมเราพอหลวงพอ่อเราก็รับก็เห็นรู้สึกเป็นรับๆเลยเอนะ่เนี่ยมันจะแวบขึ้นมาเนี่ยอันนึงหลงไปคิดนะอันหนึ่งรู้ขึ้นมาเนี่ยเข้าใจคําว่ารู้ยัง มันจะอันเล็กนิดเดียวนี่ให้รู้บ่อยๆวิธีจะรู้บ่อยๆก็คือรู้ว่าหลงไปคิดบ่อยๆเพราะฉะนั้นจิตหลงไปคิดเมื่อไห ร, ร่รู้จิตหลงไปคิดเมื่อไห ร, ร่รู้ฝึกอยู่เท่านี้พอแล้วที่เหลือพัฒนาเองครับน ะ, ะคุณตรงเห็นไหมเบอร์เจ็ดสิบเก้านีไปคิดแล้นะง่ายไหมหัวใจกว่าจะคลําออกมาได้นะแทบตายเลยนะกว่าจะคลําออกมาได้ว่าจริงๆง่ายนิดเดียวเองอะ ต้นทางมันอยู่ตรงนี้เองถ้าเมื่อไหร่รู้ว่าจิตหนีไปคิดจิตก็ตื่นขึ้นมาล่ะไม่มีคำถามแลครับบังคับไหมคุณต้องอยังบังคับอยู่ไหมวันนี้ก็มีบ<ม>้างเป็นระยะระย ะ, ะน้อยลงไปให้รู้นะไม่ดีก็ได้รู้ไปคุณตงรงใจหนีไปแล้วคุณตรงก็พอห่างไกลหลวงพ่อก็ได้เลื่อนชั้นนะคะ พอห่างน้อยวันก็ชั้นเล็กๆพอไปก็ชั้นกลางๆพอห่างไปหลาย ว, วันชั้นมันใหญ่ เ, เลยค่ะเลื่อนลงไม่เลื่อนขึ้นแบบชั้นนะคะชั้น อ, อ, อัตตา อ, อะไรอย่างเงี้ยคะ่ตตะอัตตาน่ะอัตตาให้รู้ไปนะรู้ไปรู้ได้ดีที่สุดเลยแล้วคุณหมอก็ใจก็ยังไม่ค่อยตั้งมั่นมากนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ฟุ้งซ่านเยอะครับอ่าับถูกฟุ้งซ่านนี้เป็นโมหะครับ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 อ่าให้รู้นะห ล, หลอกให้เราทําเราก็ต้องรู้ทันหลอกไม่ให้ทําก็ต้องรู้ทัน บ, บางคนหลอกให้ไม่ทํากรรมฐานกิเลสสอนนะอย่างจะหัดพุดโทโธก็จิตฟุ้งซ่านมากจําเป็นจะต้องทําสมถะซะหน่อยเช่นพุโทโธพอจะเริ่มพุโทโธเฮ้ยนี่มันปรุงแต่งนี่นะเลยไม่ทําเลยไม่ทําอะไรเลยนะกลายเป็นไม่ได้ปฏิบัติตอะไรสักอย่างอย่างนี้ถูกหลอกนะเพราะฉะนั้นบางทีมันก็หลอกให้เราทําบางทีมันก็หลอกให้เราไม่ทํา แต่สังเกตไหมมันชอบหลอกให้เราทําสิ่งซึ่งไม่ควรจะทาครับแล้วมันหลอกให้เราเลิกทําสิ่งที่ควรจะ ท, ทา <ำ S 2> ครั บ, รบมันน่ฉลาดสุดๆเลยครับต้องรู้ทันมันนะครับแม้มันฉลาดมากนะจริงหลวงพ่อนะถูกมันปู้ยี่ปู้ยำ ม, มาเยอะเลยเช่นเราภาวนาไปเนี่ยนะกลางคืนเราตื่นมาภาวนาตามเตนคารวาดอ่ะมันรีบสอนเลยต้องมัชชมานะ หากโหอมอย่างนี้เดี๋ยวร่างกายโทมพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานไม่ไหวน ะ, ะเดี๋ยวเบลอเลองานการก็เสียนอนไม่พอจิตใจก็มัวเนยบรรยายให้เราฟังเนะยโอ้นอนซะต้องพักเพราะพุทธเจ้าให้เดินสายกลางสายกลางคือไม่ได้ตั้งขึ้นทางนี้ไม่ได้ตั้งลงทางนี้นะตั้งระนาบอย่างนี้ต้องฉลาดนะโอยมันเก่งจริงๆ ใครที่คิดว่าจะหลอกกิเลสนะถูกกิเลสหลอกเช่นบางคนจะแกล้งเผลอมันเพ่งมากจะต้องหลวงพ่อบอกรับเผลอเผลอไปแล้วมันก็เลิกเพง่งแกล้งเผลอมันไม่หายนะห <c oughs> ลอกกิเลสเนะี่ยไม่มีใครทําสําเร็จหรอกมีแต่โดนกิเลสหลอกว่างไงทุศีนทุสีโล <c oughs> จิตมันไม่ค่อยตั้งมั่นอะครับทรงนี้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 จะเห็นสภาวะในชีวิตประจําวันได้ถ้าไม่ซ้อมดูยากเพราะนการปฏิบัติในรูปแบบทิ้งไม่ได้หรอกมันจะเป็นบางช่วงอ่ะครับคือนานๆทีที่แบบว่าอยู่ในชีวิตประจําวันทั้งที่เห็นหคือนานๆทีที่ว่าอยู่ในชีวิตประจําวันแล้วแบบเห็นแบบเห็นสภาวะได้ชัดเจนไม่ไม่จําเป็นต้องขนาด น, นั้นนะรู้เท่าที่รู้ได้ส่วนมากก็จะไปรู้สภาวะที่ห ย, ยาบๆเช่นความโกรธ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 ได้มีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งนะฮะท่า น, ท, านท่านได้ให้หนังสือทางเอกกับกับผมมาที่ <นะ S 2> คุณภาวนาใช้ได้แล้วครับดีแล้วใเป็นตื่นแล้วครับก็งั้นก็แต่แต่ผมเองเนี่ยนะฮะก็ฟังฟังจากซีดีของหลวงพ่อแล้วเนี่ยนะฮะที่เวลาเอบที่หลวงพ่อบอกเอจิตหนีไปคิดจิตเนินไปแวบอะไรเนี่ยแต่ผมเองดูไม่เห็นเลยครับไม่เป็นไรให้รู้กายไว้ก็ได้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 มีความคิดว่าเอ๊ะจะนั่งสมาธิดูสักนิดหนึ่งสินะฮะก็นั่งสมาธิประมาณสักสักหชั่วโมงแล้วคงไม่เป็นเรื่องเป็นลาวอะไรหรอกครับก็ไปเข้านอนนฮะนอนในขณะนอนเนี่ยก็มีก็คิดในเรื่องที่ก็คิดเรื่องแรกเนี่ยก็คิดก็มันเหมือนว่าจิตมันก็ตามคิดเข้าไปนะพอจบก็คิดเรื่องที่สองก็คิดตามเข้าไปพอเรื่องที่สามเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่ เป็คิดว่าเอ๊ะเราเร า, เราจะสอนอ่าภาษาอังกฤษลูกเรายังไงดีนะฮะพอทันทีที่จิตคิดเนี่ยนะฮะก็มีความรู้ว่าเอ๊ะมันยังไม่ถึงเวลาเนี่ยแล้วทำไมต้องไปคิดมันนะฮะก็เลิกคิดพอเลิกคิดตรงนั้นจิตก็จะลงเหมือนว่าตกลงไปในผวังน ะ, ะแล้วก็ในขณะนั้นเนี่ยนะฮะมาสตินี่แจ่มใสน ะ, ะลูกแต่ไม่รู้อะไรเลยอนะฮ ะ, ะ, ฮะแล้วก็เป็นอย่างนั้นอยู่สักก็ก็ไม่ทราบวันนานแค่ไหนนะฮะแล้วก็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 ก็มาพบว่าตัวเองยังมีความเปลี่ยนแปลงอยู่หลายๆอย่างนะฮะอย่างแรกก็คือแต่เดิมเนี่ยมีความมีความาเรียกว่าอาจจะเป็นวิบากหรือเป็นเป็นทุกข์อะไรที่มีมานะฮนะก็มีความอาฆาตแค้นคิดจะฆ่าคนจํานวนเยอะๆนะฮะพอหลังจากนั้นมาเนี่ยนะปรากฏว่าพอความคิดอันนี้เกิดเนี่ยนะฮะหมือนว่าจิตเนี่ย็ขตัดทิ้งทันทีเลยนะฮ<อ>นะพอเกิดแล้วก็ตัด<อ>ทีนี้ ไม่ใช่เรื่องนี้เรื่องเดียวแล้วที่กลายเป็นว่าอะไรที่เป็นเป็นอกุสรนที่ค่อนข้างจะรุนแรงเนี่ยพอมันคิดขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะตัดไปเลยนะแล้วก็สิ่งที่เป็นอกุศลที่ไม่อาใช้คําว่าไม่ไม่หนักหนาเนี่ยนะเขาจะคิดขึ้นมาสักครั้งหนึ่งนะแต่คิดไกลพอครั้งที่สองก็กคิดเหมือนกันแต่ว่าสั้นลงสั้นลงน่าจะประมาณสักครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าอะไรเนี่ยนะฮะเขาเขาแค่รู้สึกแล้วก็ก็<ๆ>ตัดไปอื แล้วก็เกิดมีความรู้สึกว่าเอ๊มันมีมันมีข อ, ขอเรียกเป็นว่ามีตัวข้างบนตัวกลางนะก็มองกันไปมองกันมาดูกันไปดูกันมาเนี่ยนะแล้วก็แต่แต่มีความรู้ว่าเอ๊แรกๆก็แจ่มใสเดือนนะั้นพอเลยนะเอ๊ยชักชักตื้อๆมึนๆ น, นะก็เอไม่รู้ว่าเป็นว่าเป็นอะไรก็มาหาหลวงพ่อเมื่อประมาณสักสามเดือนที่แล้วนะก็ไม่ได้มีโอกาสได้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 แต่ตรงนั้น ก, ก, ก็ยังคิดว่าเป็นเปนเป็็นนเเพราะว่าเอได้รับการฟังมากไปนะถัดจากนั้นมาแ ต, แต่ตรงนั้น เ, น เ, ร, เ, ร, เริ่มมีความรู้สึกเหมือนว่าเอะทําไมมันมีตัวข้างล่างอีกตัวหนึงนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นอีกประมาณสักเดือนหนึ่งนะในช่วงประมาณสักเยน็ยนเยน็ยนเ น, นี่ยนะทานข้าวเย็นเสร็จแล้วเนี่ยก็พักผ่อนอยู่สบายๆเนี่ยนะสติมันไปแล้วลึกว่า เ, เราอึอดอัด นะทันทีที่สติระ ล, ลึกอึดอัดความอึดอัดอยู่เนี่ยนะนักนั้นนั้นเนี่นะฮะจิตบอกว่าเออเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องของเองที่เองอึดอัดแต่คําไม่ได้ อ, อึดอัดด้วยอะไรลักษณะเนี่ยนะฮะแล้วหลังจากนั้นมาเนี่ยไอ้ตัวบนสองตัวมันหายไปก็จะเหลือจะเหลืออยู่ตัวตัวไอ ต, ต, ต, ต, ตัวข้างล่างทีนี้ก็จะมีความรู้สึกว่าบางทีที่นั่นเนี่ยจะเหมือนกับว่าตัวตัวไม่มีเนี่ยนะตัวร่างกายไม่มีแต่ว่า มันจะมีแต่อายตนะเนี่ยนะเวลาสัมผัสเวลาสัมผัสก็รู้ว่ามีอะไรมาสัมผัสเวลาเหตุนั้นแต่ว่าเวลาฟังซีดีของคุณพ่อเลยเนี่ยไอ้ที่บอกว่าเห็นนู่นเห็นนี่เพราะว่าอะไรเนี่ยก็ก็ดูไม่ออกเนี่ยไม่ใช่เป็นพ่อทางใครทางมันครับเราไม่ต้องเหมือนใครหรอกนะที่ภาวนา่ะดีแล้วทำไปเรื่อยเรืรู้ไปเรื่อยเรื่อยใช้ได้ดีแลวดีใจมันตื่นแล้วเราก็รู้ไปนะ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 พยายามรู้ไปเรื่อยๆดีขึ้นแล้วเนาะก็ยังชั่วขึ้นแล้วมีที่ต้องแก้ไขตรงไหนบ้างไหมคะพักเพียนไปนะอย่าถอยกันแล้วกันคือเดี๋ยวนี้นะครับหลวงพ่อตอนฟังซีดีหลวงพ่อจะรู้สึกว่าอึดอัดน้อยลงแล้วครับแสดงว่าน่าจะพัฒนาขึ้นหน่อยแล้วใช่ไหมครับไม่จาเป็นหรอกอย่างหลวงพ่อฟังอย่างลาคาญเลยทีต้องมานั่งตัดต่อแล้วน่าเบือ่อ แ ต, แต่เราอึดอัดน้อยลงแสดงว่าเราไปเพ่งน้อยลง<ร>ใช่<ร>ไหมครับเราไม่ปฏิเสธสภาวะเพาไม่อึดอัดครับนะบางคนก็ไม่ชอบฟังนะตั้าฟังแล้วก็อึดอัดเป็นเรื่องธรรมบัญาบางคนไม่ชอบอ่านอ่า น, านแล้วอึดอัดอย่างเงี้ยมีให้เลือกใครอ่านแล้วอึดอัดก็ไปฟังใครฟังอึด อ, อัดแล้วก็ไปอ่านเนาะอ่าว่าไปโน่นโนนหลงไปละคุณเออแล้วมันบังคับมากไปนิดนึงนปล่อยปล่ยมัน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 ธรรมดาจิตเนี่ยมันร่อนเร่ตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเป็นที่หมายไว้เลยนะเราจะไม่ค่อยเห็นนะเราะฉนั้นเราต้องมีอะไรไว้อันหนึ่งก่อนเพราะตัวนี้เวลาจิตมันมาอยู่นี่เราก็รู้จิตไปก็รู้มันจะมีที่สังเกตได้แต่ถ้าไม่มีอะไรเลยนะจิตจะเที่ยวไปเที่ยวมาดูยากเพะั้นเราต้องมีเครื่องอยู่ไว้อันหนึ่งบางคนเขาก็ อ, อยู่กับพุโทโธนะเช่นอยู่กับพุโทโธพุโทโธพุทโธไปพอใจลืมพุโทโธไปหลงไปคิดเรื่องอื่นเนี่ย จะหลงไม่นานแวบเดียวก็รู้แล้วว่าหลงเนี่ยมีเครื่องช่วยนิดนึงคือคือระหว่างนี้จริงๆก็ได้ทําแบบสมาธาด้วยคือคือพุทโธหรือนั่งสมาธินะคะออแต่เวลานั่งนี่จะรู้ว่ามันกระโดดไปกระโดดมาตลอดเหลาแต่ <ๆ S 1> พ อ, อพอไม่เราก็เลยรู้สึกว่านั่งก็ก<อ>็รู้ทราบว่ามันกระโดดไปอย่างเงี้ยค่ะหลุดไปเรื่อยๆแต่ถ้าเวลาที่เฉยๆเช่นนั่งอยู่ในรถหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งเราไม่ได้ทำเอาเราก็พุทโธไปเรื่อยๆได้ พุโธไปทั้งวันน่ะถ้าเราไม่ต้องคิดเรื่องอื่นแล้วเราก็จะเห็นใจแฝงไปแฝงมาเห็นไปเรื่อยๆยิ่งถ้าไปพุทโธนี่จะเห็นมันเยอะเดินไปมาก็มีที่หมายไว้อันหนึ่งมีตัวที่สังเกตไว้ไปหนีไปก็รู้ละหลุดไปนี้ก็รู้หลุดไปนี้ก็รู้ถ้าไม่มีอะไรเป็นที่สังเกตเนี่ยมันไปเรื่อยๆมองไม่เห็นก็เลยไม่รู้ว่าเอ้เราเราไม่รู้ตัวหรือเปล่าเออคไม่รู้เไปหนีไปเรื่อยๆอาคุณตู หลวงพ่อค่ะก็ไม่ได้เป็นทุกครั้งนะฮะแต่หลังๆนี่เริ่มมีความรู้สึกว่าความทุกข์บางครั้งมันก็ห่างๆไปนิดนึงค่ะความทุกข์มันอะไรนะมันเหมือนมันมันห่างนิดนิดนะเออแต่ว่าเห็นทุกบ่อยเห็นทุกบ่อยขึ้นเยอะขึ้นนะเยอะขึ้นถ้าเราไม่เห็นทุกเราก็ไม่เห็นธรรมหรอกเราจะเห็นในโลกนี้น่าเพลิดเพลินแต่ว่าเห็นแล้วใจยังไม่เป็นกลางนะเอให้รู้ทันว่าใจไม่เป็นกลางนะ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 เราเดินไปเรื่อยต่อไปมันก็ออกมาข้างนอกโล่งกว้างขึ้นมาการภาวนาก็ยิ่งง่ายขึ้นง่ายขึ้นคือใจเข้าสู่ความเป็นกลางเรามีปัญญามากขึ้นเรื่อยๆถึงตรงนั้นนะโอ้เหมือนเราอยู่ที่โล่งกว้างสบายนะถล้วรอเวลาที่มรรคผลเขาจะเกิดแต่ก่อนภาวนานะล้วก็ลุ้นเมื่อไหร่มันจะได้ขั้นนี้วะ <c ười> ขั้นนี้ขั้นนีนะ้ขั้นนี้ยังไม่ได้สัทีอะไรเงี้ยไปหาครูบาอาจารย์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 ถ้าเรายอมรับตรงนี้ได้นะใจจะไม่ทุกข์ไปด้วยแล้วหลวงพ่อคะแล้วก็เริ่มเป็นหน่เริ่มเป็นหน่แล้วใช่ไหมอะไรนะหน อ, องหลวงพ่อเนี่ยค่ะเริ่มโตขึ้นนัโตสิโต <c oughs> หลวงพ่อได้ยินอะไรหนอ่ของหลวงพ่อ <c oughs> เราไม่ใช่แรดซะหน่อย <c oughs> <c oughs> ตอนนี้หนะ้าต้นไม้ตีออกดอกออกใบนะ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 แล้ว อ, อ, อยากเรียนถามหลวงพ่อว่าตอนนี้เนี่ยใช้ได้แล้วที่ทำาหยู่อดี <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> ดีนะทำเรื่อยๆนะของคุณฝึกมาค่อยสบายขึ้นแล้วรู้สึกไหมใจเราปลอดโปร่งโล่งเบามากขึ้น <c oughs> เป็นธรรมชาติมากขึ้นดิ้นรนน้อยลง <c oughs> นั่นแหละพัฒนาละ <c oughs> ไม่จำเป็น เห็นความแตกต่างไม่ต้องเห็นชื่อไม่ต้องมีชื่อว่าอันนี้โลภนี้โกรธหลงไม่จําเป็นเลยะให้เห็นสภาวะไม่ใช่ต้องไปรู้ชื่อมันอะได้อีกคนนึงไปไปถึงไหนแล้วออกอ อ, อยากจะขอกำลัง อ, อนุญาตกำลังเรียนถามว่าที่ฝึกปฏิบัติอยู่นี้ใช้ได้หรือไม่อย่างไรครับได้สิต้องฝึกนะ <c oughs> ไม่ฝึกจะใช้ไม่ได้ ด, ดูได้เห็นกิเลสบ่อยไหมบ่อยมากเลยครับเผลอสั้นลงยัง อ๋อบางทีเป็นวันเลยครับแล้วไม่รู้เลยเหรอก็ไม่แน่ใจเพราะเวลาทํางานมันยุ่งมากเลยเออเวลาทํางานยกเว้นครับเวลาทํางานต้องไปจดจ่อที่งานรู้ไม่ได้ครับเวลาอื่นล่ะเผลอนานไห ม, มก็ไม่บางครั้งก็นานบางครั้งก็ก็ไม่นานครับเออก็อใช้ได้ครับแต่ว่าสนใจนะสนใจแล้วคอยรู้เรื่อยๆคือมีฉันทะ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 มันคือพบอะไรครับมันคือมันคือพบของนักปฏิบัติอ๋อนั่นฟั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนเ่นนั่นนันนั่นนั่นนั่นนัชนนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนัมันงง <c oughs> ั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนักนนั้นมั่นนั่นนั่นนี่มนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นนั่นั่นยั่นนั่ยนั่นเกิดไั่นรับ อ้าวแถมๆไหนๆก็จะหมดแถวแล้วพอดีมาด้วยกันสามคน <c oughs> ครับคือน้องคนนี้ก็เขามักจะโทรไปชวนผมมาทิวหัดแต่ว่าหลังๆผมฟังซีดีหลวงพ่อผมก็รู้สึกว่าผมเหมันก็ไม่ไม่อยากมาเพราะว่าสิทห้าผมก็ถือไม่ได้ผมบอกตามตรงผมยังชอบไปกินเหล้ากับเพื่อนอยู่แต่ว่าผมนนก็พยายามฝึกว่าขณะนี้กินอยู่อ่ะ ขณะ น, นี้คือถ้าในชีวิตประจำวันผมไม่ได้ทานเหล้าแต่ถ้าเกิดไปสังคมกับเพื่อนคือ่อะไรเงี้ลผมจะต้องซีนเนี่ยนะเราไม่ได้ผิดตลอดเวลาอย่าไปคิดว่าเราเป็นคนทุ่มสีนนะ่ะอย่างเงี้ยบนหน้าทุ่มสีนี่มันชอบคิดจริงๆแล้วมันไม่ได้ทําผิดศีลตลอดเวลาขนาดใดไม่ได้ทําผิดศีลนะตั้งใจสํารวมรักษาไว้เราก็มีศีลครบแล้วครับมันไม่ใช่แบ่งชีวิตของเราเป็นช่วงเล็กๆนี่สิบนาทีนี้ศีลของเราบริสุทธิ์นะ สิบนี้สิบนาทีนี้ชักหมองๆไปหน่อยแล้วพอพูดมากอย่างเงี้ยเนี่ยนะค่อยดูไปมันไม่ใช่เราสีญขาดทั้งวันหรอกเพราะงั้นมาได้นะไม่ใช่สินขาดมาไม่ได้แล้วจะมีวิธียังไงที่จะฝึกให้รักษาสินห้าทีเป็นบทเบื้องต้นของคารวะทั่วไปรครับคืออย่าไปกังวลมากน ะ, จะเจริญสติไปแล้วสีนจะมาเองเรียนเรื่องสติไว้ก่อน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 ละยังกินเหล้าได้เลยรู้ป่ะนะถ้าเป็นยานะนะเนี่ยตอนเนี้ยตอนหลวงพ่อที่เป็นงูสวัสดนะใครเข้าใกล้ต้องนึกว่าหลวงพ่อกินเหล้ามันมียาตัวหนึ่งนะ ม, นมันใสแอลกอฮอล์เข้าไปเวลาทาไว้ที่ท้องที่อะไรนะแม้กลิ่นโชยยังเคยขี้เมาอันรู้สึกเรืยได้